บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติครรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์แรกช่วงปีใหม่ซึ่งตามปกติแล้วจะมีการเฉลิมฉลองตอนรับปีใหม่เราพูดกันว่า ส่งท้ายปีใหม่ตอนรับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่ใ น, นแง่ของผู้ปฏิบัติธรรมสิึกาธรรมะก็จะมองเห็นเรื่องการเวลาเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดการที่เกิดเป็นปีใหม่ปีเก่าเป็นเรื่องของการสมมติปัญญิ กำหนดกันขึ้นตามความนิยมของบุคคลในยุคในสมัยนั้นๆอันที่จริงแล้วจะเริ่มนับจากจุดใดก็ได้ไม่ยอมรับในแง่ของสมมติก็เป็นความจริงกันในแง่ของสมมติแต่ในแง่ของความเป็นพุท ธ, ธะที่แปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มองเรื่องของการเวลา ที่รุกล้นพ้าผานชีวิตของบุคคลอยู่ตลอดเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคคลในรีบเร่งพยายามกระทำความดีกันในขณะที่เวลาและโอกาสยังมีอยู่ตอนนั้นจะพบคำสอนในแนวนี้อยู่เป็นนันมากบางครั้งก็ทรงแสดงโดยสรุปโ่ยบุคคลเห็นว่า การเวลากับชีวิตมีความเกี่ยวข้องกันอย่างสําคัญทุกคนจะฉกฉวยโอากาสเวลาที่มาถึงเข้าได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่การใช้ปัญญาวินิจฉนาหาประโยชน์จากการเวลาเพราะการเวลานั้นย่อมกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมด้วยตัวของมันเองเป็นการไหลที่ไม่ย้อนกลับในวันที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ก็จะเปลี่ยนแปลงไปไม่มีการย้อนกลับมาอีกจึงทรงสอนให้บุคคลพิจารณาในแต่ละวันว่าให้บุคคลตรวจสอบดูถึงการงานที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปไปพิจารณาตรวจสอบดูว่าบัดนี้เราทำอะไรโจูจะในการตรวจสอบนั้น ตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะอาศัยการสนใจหรือความสนใจในสิ่งที่เป็นภายนอกจึงมักจะมีการตรวจสอบเรื่องของภายนอก <c oughs> ถือว่ากันตามหลักความเปจริงแล้วเรื่องภายนอกนั้นบางเรื่องก็น้อมนามาเป็นประโยชน์ได้แต่ตามปกติแล้วก็จะหยุดอยู่ที่ภายนอก ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แยกเรื่องภายนอกเราเรื่องบางเรื่องถ้าสนใจไปแล้วสามารถที่จะลดบาปอากุศลถึงมีอยู่แล้วให้ผ่อนคลายลงที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เสื่อมสลายไปไว้เกิดความสนใจใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นได้แต่ถ้าหากว่าใส่ใจไปแล้ว ก็มีปัญหาคือกิเลสที่ยังไม่เกิดแก่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็อย่าไปใส่ใจเรื่องเหล่านั้นในบางการณีก็สงเน้นให้เห็นว่าถ้อยคำต่างๆของคนเลวจ่นินทาว่าร้ายใส่ร้ายหรือว่ามีการประพฤติการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเราก็อย่าได้ไปใส่ใจเรื่องราวเหล่านั้น ก็จะใส่ใจไปแล้วจะนําไปสู่ความรุนแรงทั้งด้านจิตใจด้านวาจาและด้านการกระทําทางกายแต่บุคคลนั้นมาสนใจถึงสิ่งที่ตนแล้วสิ่งที่ตนทําแล้วและยังไม่ได้ทําซึ่งข้อนี้เพืสังเกตว่าสิ่งที่ทําแล้วถ้าหากว่าสนใจใส่ใจพิจารณาทบทวนบุคคลก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นหลายสถานะ เช่นถ้าสิ่งที่ตนทำไปแล้วมีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้ปีติปราโมชความภาคภูมิใจที่ได้กระทำสิ่งเหล่านั้นโดยความถูกต้องดีงามถ้าสิ่งใดที่มีความผิดพลาดบกพร่องก็จะเกิดสำรวมระวังไม่ประพฤติไม่กระทาเช่นนั้นอีกต่อไปบางอย่างอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขได้ัวแก้ไข ที่แก้ไขไม่ได้ก็เป็นอนุสติเตือนใจให้มีความสํารวมระวังเพื่อไม่ให้เกิดความพลั้งพลาดเป็นซ้ำสองซึ่งข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าในด้านของความพลั้งพลาดเป็นปกติธรรมดาของสามัญชนการปฏิบัติระดับศีลก็ดีระดับธรรมะก็ดีพระพุทธเจ้าทรงวางหลักให้บุคคลใช้ความพยายาม แม้จะหกล้ม ห, หกลุกไปบ้างพลั้งพลาดไปบ้างก็ขอให้พยายามใหม่และพยายามเรื่อยๆไปเรื่องราวต่างๆในประวัติของพระองค์ที่นํามาเล่าเป็นการเชื่อเห็นทั้งความพลั้งพลาดจึงเคยเกิดซ้ําซ้อนในภพในชาติต่างๆและแม้แต่ในช่วงที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัสรุก็มีโอกาสพลั้งพลาดมาก แต่ข้อสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าพลั้งพลาดหรือไม่พลังพลาดอยู่ที่ว่าแม้จะพลั้งพลาดก็ไม่ยอมสยบพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นประพฤติปฏิบัติภารกิจของตนโดยความเชื่อมั่นเร็วๆหนึ่งก็จะประสบความสําเร็จตามสมควรแก่ฐานะของตนได้ด้า น, นการตรวจสอบพิจารณาเรื่องราวของตน เราสามารถจะแก้ไขปัญหาได้แต่พอไปตรวจสอบพิจารณาบุคคลอื่นกลับเป็นการสร้างปัญหาเพราะปัญหาเป็นอันมากที่เราแก้ไขไม่ได้แต่เราก็ต้องสูญเสียเวลาไปเพราะไปกระครุ่มไปปิดนิพจารนาไปวิตกวิจารณ์นจนถึงวิภาควิจารณ์บุคนลอื่นซึ่งในแง่ของการใช้เวลาแล้วถือว่าเป็นความสูญเปล่าสมบในบางกรณีที่ ไม่อยู่ในพิสัยซึ่งจะแก้ไขอะไรได้เรื่องของการพิจารณาจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะพบว่ามีอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าปัจเจเวคขณะจะมีจนถึงชั้นชีวิตประจำวันไปจนถึงปัจจเวคคณะญาณซึ่งเป็นระดับของผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติชั้นสมถกรรมาฐาน และแม่แต่บรรลุมรรคผลไปแล้วก็ต้องมีผูกปัจจเวกขณะคือการพิจารณาเฉพาะกรณีนั้นนั้นเจาะลึกลงไปเพื่อให้เกิดความอย่างรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็รู้ความจริงตามสภาพที่ปรากฏในขณะนั้นๆวันเวลาที่ผ่านไปนั้นเมื่อนำมาพินิจ พ, พิจารณาบุคคลก็จะพบว่า และสิ่งที่เข้าใจว่าใหม่นั้นที่จริงแล้วเราได้อายุนั้นเริ่มเก่าขึ้นร่างกายเริ่มเก่าขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมบังเกิดขึ้นสําหรับคนที่ล่วงมัชจิมวัยมาแล้วสำหรับคนที่ยังเดินทางอยู่ในช่วงปัจจิมะวัยก็ จ, จะมีความเปลี่ยนแปลงในแนวใหม่ที่มีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ในด้านอาวัยวะร่างกายมากยิ่งขึ้น แต่นั่นก็คือเรื่องของความแก่เพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็นชาราประเภทที่ท่านเรียกว่าเป็นชาราปิดส่วนคนที่ล่วงมัชชิมวไวมาแล้วเมื่อผ่านการเวลาไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีก็ถือว่าชีวิตได้แก่ลงสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปแก้ไขอะไรเพราะเราแก้ไขไม่ได้ แต่ทรงสอนในแนวของการกําหนดรู้ความจริงของชีวิตว่าคติธรรมดาของชีวิตแล้วเป็นเช่นนั้นเองโดยให้มองตามแนวของไตรลักษ์บ้างให้มองตามแนวของพินหาปัจจุบขณะที่สวดกันบ้างเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจว่าการเดินทางของเราได้ใกล้จุดที่จะจบในชาติหนึ่งแล้ว ระยะที่จะจบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่จะจบที่ไหนและจะจบจ่างไรในขณะที่เรียลแรงความเพียนพยายามยังมีอยู่ก็ส่งสอนให้บุคคลใช้เวลาโอกาสเรี่ยลแรงความเพียนพยายามเหล่านั้นสร้างความพอใจในการละความชั่วประพฤติความดีหรือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆในด้านที่มีความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของตนมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมีหลายสิ่งที่เราทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการพยายามเพิ่มพูนความแก่ในด้านต่างๆอย่างที่สำนวนโบราณว่าแก่ศีลแก่ฐานซึ่งหมายถึงเป็นช่วงระยะเวลาที่จะตรวจสอบคล้ายๆกับทำงานที่เกี่ยวกับเงินก็ทองพอถึงปีก็งบดุลกันเซธีหนึ่งตรวจสอบบัญชีกันครั้งหนึ่ง ก็มองดูว่าปีที่ผ่านมานั้นได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรเท่าไรและในปีต่อไปควรจะมีนโยบายในการดำเนินงานอย่างไรการดำเนินชีวิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการตรวจสอบที่จริงก็มองได้หลายสายถ้าสายตรวจสอบในเชิงผลก็อาศัยนัยยะของพระพุทธคุณดังกล่าวแล้วคือดูตึงการเพิ่มขึ้นของปัญญา เพิ่มขึ้นของความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นของความเมตตากรุณาตามกว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าตนได้สาระแก่นสารที่แท้จริงโดยอาศัยสิ่งที่ไม่มีสาระที่แท้จริงก็คือร่างกายที่ประกอบด้วยขันด้วยดินน้ำลมไฟอากาศและวิญญาณหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะสวด ตัวสอบในกลุ่มขององค์ธรรมหรือสภาวะของธรรมตามแนวที่ทรงแสดงไว้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเรื่องสวครคาธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วการตรวจสอบในชั้นนี้อาจจะตรวจสอบเชิงปริยัติคือหมายถึงการศึกษาเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจในด้านปริยัตินั้นเราเข้าใจธรรมะมากเพิ่มขึ้นบ้างไหม และมองเห็นธรรมะในชีวิตในแง่มุมต่างๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมแต่เราถึงเข้าใจสิ่งต่างๆในแง่ที่เป็นกระบวนการของธรรมะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางๆเพิ่มขึ้นบ้างไหมถ้ามีความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้แสดงว่าด้านปริยัติหรือการศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ลักษณะของความรู้ความเข้าใจในเชิงปริยัตินั้นมันเดินไปถึงจุดหนึ่งก็คือมองเห็นสปปรรพสิ่งเป็นธรรมะทำนองเดียวกับที่หมอชิวกโกมารพัฒมองเห็นทุกสิ่งเป็นยาได้เพราะในแง่ของหลักธรรมแล้วเรื่องทั้งหมดในโลกนี้หรือสิ่งทั้งหมดในโลกนี้ที่จริงก็เป็นกลุ่มของธรรมะ รือสิ่งที่ทรงไวหรือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างที่เขามีอยู่เป็นอยู่เหตุปัจจัยอะไรเขามีอยู่เป็นอยู่เขาก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นถมีเหตุปัจจัยเกิดความเปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนแปลงถึงเราแตกดับเขาก็แตกดับในส่วนของธรรมชาติธรรมดาหรือกลุ่มของทุกขสัตว์เรือจะมองในแนวของการปฏิบัติการปฏิบัติ อาจจะมองจากทานจากศีลจากภาวนาและจะมองต่ำกว่านั้นเช่นภาระหน้าที่ของตนที่จะต้องจัดจะต้องทําตามแนวของอัตตันยูตากิรู้จักตนตัวจากหน้าที่ของตนกิจการงานที่ตนทําแล้วและยังไม่ได้ทําก็มีการย้อนเข้าไปตรวจสอบในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่มีความบกพร่อง มีความสมบูรณ์หรือเพิ่มพูนขึ้นมาบ้างไหมถ้ามีความบกพร่องก็สำรวมระวังเพื่อการแก้ไขถ้ามีความสมบูรณ์ก็พยายามรักษาไว้แล้วก็กอให้เกิดปิติปราโมทย์ถือเป็นบทเรียนที่ใช้ประโยชน์ได้ด้วยการทั้งสองฝ่ายในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลาย ย่งการเป็นอุบาสกอุบาสิก า, กาก็อาจจะสวจสอบดูศรัทธาของตัวเองที่มีต่อพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าศรัทธาตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางมาจนถึงปัจจุบันบันนี้มีความมั่นคงมากขึ้นไหมมองเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าชัดเจนไหมและเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าในใจเราบ้างไหม ไม่จะเป็นเรื่องปัญญาความบริสุทธิ์หรือความไม่ตากลุณาก็ตามแท้ที่จริงแล้วพวกเหล่านี้จะเกิดเกี่ยวเนื่องกันเมื่อเห็นปัญญาก็ต้องเห็นความบริสุทธิ์ถ้าบอกว่าเห็นปัญญาแต่ไม่เห็นความบริสุทธิ์แสดงว่านั้นไม่ใช่ปัญญาจริงเพราะปัญญาจะต้องขจัดความหลงได้ก็ต้องขจัดอวิชชาได้เมื่อความหลงเรื อ, อวิชาถูกขจัดไปใจก็ต้องบริสุทธิ์ขึ้นแต่ใจไม่บริสุทธิ์ก็แสดงว่า สิ่งที่เราก็ามีนั้นไม่ใช่ปัญญาแล้วเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วก็จะมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นสัตว์อื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าบอกว่าใจบริสุทธิ์แต่ว่ายังมีความหยาบกระด้างยังมีความเป็นเราเป็นเขายังมีความรู้สึกรุนแรงต่อคนทั้งหลายหรือต่อสัตว์ทั้งหลายเราแสดงเห็นว่าจิตใจนั้นอย่างไม่บริสุทธิ์ดังนั้นแม่จะพูดถึงทั้งสามอย่าง แต่แท้จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องสัมผัสกันโดยอาศัยปัญญาเป็นพื้นฐานเรืก็จะมองในแนวของของทานของศีลของภาวนาก็ให้บุคคลได้เห็นในทานในศีลภาวนาที่ก้าวรุดหน้าไปหรืออย่างน้อยที่สุดไม่ถอยหลังพละการสำคัญในการปฏิบัติธรรมะนั้นเนื่องจากชีวิตเราเดินทางไปข้างหน้า แต่ถ้าความดีมันเกิดถอยหลังก็แสดงว่าได้ละเลยสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตที่ควรแก่การเพิ่มพูนควรแก่การรักษาและควรแก่การพัฒนาหรือบางครั้งก็อาจจะดูในส่วนของปฏิเวทปฏิเวทนั้นในแนวที่สมบูรณ์ก็หมายถึงการสามารถตัดกิเลสได้สิ้นเชิง ตั้งแต่ปะสวดาบันขึ้นไปและสมบูรณ์สุดยอดก็อยู่ที่พระอระหันต์แต่ในขณะเดียวกันปฏิเวทก็เป็นผลที่เราเรียกว่าผลหรืออานิสงส์ซึ่งเกิดขึ้นจากการละความชั่วประพฤติความดีให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตของบุคคล การดูความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะดูที่กายดูที่วาจาก็ดูที่ใจคือมีจุดได้ดูอยู่สามจุดเท่านั้นเองแต่จุดใหญ่ใจความนั้นต้องดูที่ใจเห็นอาการทางกายทางวาจาบางครั้งอาจจะต้องอาศัยคนอื่นก็ตรวจสอบให้แต่ถ้าดูที่ใจแล้วหากบุคคลไม่หลอกตัวเองหรือไม่ตรงตัวเองก็จะมองเห็นว่าภายในจิตใจนั้น ได้มีการขัดเกลวสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้จางลงไปบ้างไหมหรือว่ากับเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าขาดทุนแต่ถ้าจางลงก็แสดงว่าได้กําไรอายุเพิ่มขึ้นคุณธรรมเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ควรแก่การภาคภูมิใจแต่ถ้าอายุเพิ่มขึ้นคุณธรรมลดลงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ และการตรวจสอบในแนวนี้พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นโครงสร้างอย่างพุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาทรงแบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกเรียกว่านวากะับคือผู้น้อยหรือผู้ใหม่เป็นคนเริ่มเดินทางจะคิดเส้นทางที่ยาวนานก็คงจะไม่ได้เพราะเพิ่งเริ่มเดินเพราะรพ่าพันษาทรงเรียกว่ามัชชิมะ คือคนอยู่ในช่วงกลางในพบได้เห็นในศึกษาเรงเรียนประพิปฏิบัติมาพอสมควรแล้วก็ควรจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพอบรรษาถึงสิบก็เรียวกว่าเทระคือหนักแน่นและมั่นคงซึ่งหมายความว่าเมื่ออยู่ในจุดนี้จะต้องเป็นผู้หนักแน่นและมั่นคงตั้งในด้านต่างๆ ถ้ามองจากสายพระก็คือหนักแน่นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาถ้ามองจากสายชา บ, บัานก็หนักแน่นในทานในศีลในภาวนาก็มีความหนักแน่นเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีความสามารถหยิบฉวยเอาสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ของชีวิตไว้ได้เพราะว่าร่างกายจจะแก่หรือไม่แก่วันหนังเราต้องทิ้งแก่ เอาไปไม่ได้แม้แต่ท้าบสมบัติก็มีลักษณะอย่างเดียวกันและสิ่งที่จะเอาไปได้จะติดตติดตัวไปได้นั้นก็คือความดีและความชั่วอันเป็นผลจากการปรุงแต่งของกุศลและอกุศลหรือธรรมะและอาธรรมแต่นั้นถ้ามองเห็นข้งความขัดเกลาคือความเบาความจางไปของกิเลสก็ขอให้เกิดความภาคภูมิใจ ดูลักษณะของการพลากจากความชั่วร้ายต่างๆซึ่ง้องนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างการปฏิบัติในแนวของกุศลกรรมบุตรจะมีการดึงกายดึงจิตของตนออกไปโดยลำดับเช่นในเรื่องของสัตว์หรือของคนในชั้นศีลไม่มีปัญหา ไม่มีเจตนาในการฆ่าในการประทุษร้ายชีวิตสัตว์แต่ในชั้นวาจาเคยออกคำสั่งเคยแนะนำเคยพูดเปลยเปลยเพื่อให้มีการฆ่าเกิดขึ้นไว้ถ้ามีแสดงว่าวาจายังไม่มีความสงบยังไม่มีความสํารวมแล้วถ้าหากว่าแม้ทางกายทางวาจาคือทําเองในใช้บุคคลอื่นทําไม่มีแต่ก็มองดูใจ เพระภายในใจยังมีความเพลิดเพลินชื่นชมต่อการฆ่าการรัตุสไรการจกชิงวิ่งราวสนใจที่จะอ่านจะศึกษาค้นคว้าข่าวเกี่ยวกัอัจญากรรมต่างๆรู้สึกประสะใจและเพลิดเพลินที่จะยินในความเรื่องเหล่านั้นหรือไม่ท้าวก็มีอยู่ก็แสดงว่าจิตใจยังไม่สงบเพราะมนโนนั้นอย่างทุจริต แล้วดูไปจนถึงว่าแม้แต่ความชื่นชมยินดีก็ไม่มีแล้วชื่นชมยินดีในความชั่วทั้งหลายก็ไม่มีนั่นก็คือเห็นความเปลี่ยนแปลงทางใจที่ดึงใจออกจากอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามออกไปได้โดยดั่งดับซึ่งบุคคลสามารถสังเกตได้ในเรื่องทั้งหลายที่ท่านบอกว่า สภาพจิตซึงไม่มีอะไรหมายความว่าอารมณ์นั้นเคยผูกมัดใจเคยทำให้ใจของเราสยบแล้วก็ติดเพลิดเพลินรื่นเริอ ง, เรองอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นลักษณะของใจที่พ้นมาจากอำนาจของกิเลสบางระดับไปพบกับเรื่องบางเรื่องที่เคยสนุกสนานเพลิดเพลิน ก็ไม่ไปอาลัยเชื่อใจสื่อสนใจในเรื่องเหล่านั้นํานองกับสมัยเป็นเด็กเคยเล่นขายของกันแล้วพอโตเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ยินดีที่จะไปเล่นอย่างเด็กอีกนี่แสดงว่ามีเดียงสาขึ้นเป็นวินโูชนขึ้นแต่จิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการสละเรื่องไม่ดีไม่งามออกไปแล้วแม้จะผ่านพบกับเรื่องเหล่านั้นอีก ก็ไม่มีความอะไรไม่รู้สึกเสียดายต่อสิ่งที่ได้สละละวางไปแล้วถึงแม้จะเสียดายอยู่บ้างแต่ถ้าเห็นความเสียดายน้อยลงก็แสดงถึงจิตใจได้เปลี่ยนแปลงไปในแนวที่สูงขึ้นทีนี้ผลที่ถาวรก็คือให้ดูที่ความสงบ ความสงบอาจจะเกิดขึ้นจากชั้นของทานชั้นของศีลชั้นของการสัรวมระวังอินทรีย์ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะมีความมั่นคงเข้มแข็งขนาดไหนก็เดินกันมาได้เรื่อยๆอย่างในกรณีของอินทรีย์สังวรซึ่งบุงคนจะต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆอยู่เป็นอันมากก็ดูใจว่ามีความสงบมีความอยากดูเพิ่มขึ้นไหมอยากฟัง อยากลิ้มอยากเที่ยวอยากสนุกสนานเพิ่มขึ้นไหมท่าเพิ่มขึ้นหากว่าความอยากต่ออารมณ์นั้นเป็นสื่อให้เกิดกิเลสเพิ่มกิเลสก็ต้องกระจาว่าใจจะไม่มีความสงบแต่ถ้ามองเห็นเป็นธรรมกาบะคือความใคร่ธรรมความยินดีในความสงบจิตโน้มน้อ ม, อมไปสู่ ความสงบความสงัดความวิเวกความผ่อนคลายความเจือจางของกิเลสต่างๆที่ทรงใช้คำสรุปรวมว่าธรรมกามโมคือใคร่ธรรมยินดีในธรรมแสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติว่าเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นในลักษณะนี้เป็นการยึดถือสาระแก่นสารที่แท้จริงไว้ได้ แต่บางครั้งก็ทรงสรุปรวมไปเลยบางครั้งเราเรียกว่าธรรมขันธ์บ้างบางครั้งก็เรียกว่าสาระบ้างเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปคำสอนเอาไว้ด้วยธรรมห้าประการคือศีลสมาธิปัญญาระวิมุตติคือใจที่หลุดพ้นจากกำนาจของกิเลส แล้วเปมุตติญาณทัศนะคือเรารู้เราเห็นว่าเราหลุดพ้นจากกิเลสจริงๆข้อนี้ก็คือธรรมคุณบทว่าสันทิติโกคือผู้บรรลุจะเห็นได้เองกับปัจจตางวีริตโบเป็นโยชิอวินโยชนจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นความรู้ที่ประจักษ์แก่ใจว่าเราหลุดพ้นได้จริงๆข้อ น, นี้ที่จริงในชั้นสมบูรณ์ก็ต้องเกิดขึ้นด้วยญาณของพระริเจ้าทั้งหลาย แต่ว่าจากการพินิษพิจารณาแนวปัจจเบกขณะหรือแนวโยนิโสมนสิการก็ตามบุคคลก็สามารถพบเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ตกต่ำลงได้แต่ตอนนี้ตั้งนั้นต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าถ้าถ้าเห็นว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ตกต่ำลง ก็ต้องพยายามแก้ไขคล้ายๆกับบุคคลอาศัยยานพาหนะไปเห็นเรือจะล่มหรือรถจะตกลงไปข้างถนนก็ต้องพยายามดึงกลับมาประคับประคองรถประคับประคองเรือให้ไปสู่ที่สวัสดีใได้แต่ถ้าหากว่เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นก็จะเกิดปีติประโมดมีความชื่นชมยินดีในธรรมความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติก็เพิ่มขึ้น ในการตรวจสอบในแนวดีมันสังเกตว่าพอมาถึงจุดเล็กๆ เ, เพียงขณะเอ้ยเจ้าก็อาศัยโครงสร้างของจิตตานนปัสสนาสถิปัิฐานให้ตรวจสอบดูจิตให้รู้จักข้ามจิตประคองจิตกั้นจิตเอาไว้ตามสุขควรแก่อารมณ์อย่างจิตแก่ฟุ้งสร้างก็ต้องกั้นจิตไว้จิตแก่หดถูกเคลื่อมท่อถอยหมดอะไรตายอยาก ก็ต้องยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ที่ใ้ก้าวเดินไปได้แล้วจิตเดินไปแล้วก็ประคับประคองจิตไปแล้วก็มองเห็นถึงความปีติความสุขความประโมทต่างๆที่ปรากฏขึ้นภายในจิตการตรวจสอบเหล่านี้ถ้าบุคคลตรวจสอบได้แม้ท่านจะใช้คำว่าวิมุตติยานัทสนะคือความรู้ความเห็นในวิมุต ซึ่งเป็นผลจากยานโดยตรงก็ตามแต่แท้จริงแล้วระดับหนึ่งขั้นหนึ่งคนจะรู้ความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองได้ถ้ า, าว่าไม่หลอกตัวเองและไม่หลงตัวเองในชั้นนี้จึงทรงใช้ระดับที่รดหลันลงมาเช่นให้พิจารณาตนด้วยตนตักเตือนตนด้วยตนจนถึงตัดสินแก้ไขตนด้วยตนของตนเองเมื่อมีการตรวจสอบพินิจพิจารณา เช่นนี้แล้วก็จะสามารถเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้นและรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่เสื่อมไปในกรณีที่เป็นความผิดพลาดบกพร่องก็ถือว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วตอนที่ผ่านไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้แต่ก็เพียงพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกในปัจจุบัน ด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าสามารถประคับประคองตนในก้าวเดินไปในคันรอนแห่งธรรมสามารถนำความสุขให้เกิดขึ้นได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป